เจริญพรท่า น, นสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ห้ามกราขอพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมววนาะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาที่พึ่งทางใจคือมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจส่วนวันปกติวันที่เราไปทำมาหากินเราก็ไปหาที่พึ่งทางร่างกายคือราบยศสารรับเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากรูปเสียงกลิ่นรสผุทธพระชะนิดต่างๆวันพระเราต้องมาหาที่พึ่งทางใจกันเพราะในอนาคตข้างหน้าที่พึ่งทางร่างกายคือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายของพวกเรา จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดถ้าพวกเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่เราพิ่งลาบยศสรรเสริญพิ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพักไม่ได้เพิ่งร่างกายของเราไม่ได้เราจะไม่มีที่พึ่งกันเราจะเดือดร้อนกัน เราจะทุกข์เราจะทํารมานกันดูคนที่เข า, าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เขาสุขหรือเขาทุกข์กันคนที่พี่กรพิการไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้เขาสุขหรือเขาทุกข์กันแต่คนที่มีที่พึ่งทางใจนี้จะไม่เดือดร้อนถ้าที่พึ่งทางร่างกายมีอะไรเป็นไป เพราะเขามีที่พึ่งทางใจไว้สำรอง uh. เหมือนกับสมบัยนี้ uh. เขามีรถยนต์ที่ใช้ได้ทั้งน้ามันใช้ได้ทั้งไฟฟ้า uh. uh. ถ้าน้ามันหมดก็ใช้ไฟฟ้าได้หรือใช้แก๊สได้ uh. uh. มีมีสำรองไว้ uh. uh. ดีกว่าใช้อย่างเดียวพึ่งอย่างเดียวพึ่งอย่างเดียวเดี๋ยวที่พึ่งพึ่งไม่ได้เราก็จะไม่มีอะไรพึ่ง และโดยเฉพาะที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกียรตเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าและเป็นที่พึ่งที่ไม่เสือ่อมไม่มีวันหมดสามารถพึ่งไปได้ตลอดอนันตการเลย อย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านมีที่พึ่งทางใจท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใจของท่านก็เลยมีความสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรามังสุขขังบัลมะสุขก็เกิดจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่เองพวกเราก็สามารถที่จะมีที่พึ่งแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้า และพระ อ, อลันตสาวกทั้งหลายมีได้ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู่ใจของพวกเราน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมขั้นต้นต้องน้อมด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจา้า ของพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจของพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ว่าวิธีสร้างที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สร้างอย่างไรพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็นำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติตามเหมือนสมัยนี้เวลาเราจะปลูกบ้านสร้างบ้านเราก็ต้องไปให้เขาออกแบบบ้านก่อนเขียนแบบก่อนพอเราได้แบบบ้านมาแล้ ว, ลวเราก็เอาแบบบ้านนี้ไปให้ช่างเขาสร้างตามแบบถ้าเราไม่มีแบบช่างเขาก็ไม่รู้จะให้สร้างแบบไหนถ้าบ่อยให้เขาสร้างตามใจเขาเดี๋ยวก็สร้างแบะบสร้างแบบที่ไม่ถูกใจเราก็จะไม่ได้ บ้านที่เราต้องการชันใดที่พึ่งทางใจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนการสร้างบ้านก่อนที่จะสร้างบ้านเราต้องไปหาสถาปนิกหาวิศวกร อ, ออกแบบบ้านให้เราก่อนเพราะเราไม่รู้วิธีออกแบบเขียนแบบวิธีคำนวณแบบต่างๆเราก็เลยต้องไปหาผู้ชำนาญในการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างบ้านทางใจเรีว่าสร้างเรือนใจ ด้วยการไปหาสถาปนิกหาวิศวกรก็คือพระพุทธระธรรมพระสง์นี่แหละท่านเป็นสถาปนิกท่านเป็นวิศวกรท้านออกแบบบ้านให้เราอย่างสวยรู้เลยบ้านที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันพรรังไม่มีวันหมดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะออกแบบ ให้กับพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่มีวันที่จะได้สร้างบ้านแบบถาววนเราก็จะสร้างบ้านแบบชั่วคราวไปคือสร้างสร้างร่างกายขึ้นมาร่างกายนี้ก็เป็นที่อาศัยของพวกเราเพียงแต่ว่ามันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นบ้านที่ให้ความสุขอย่างเดียวยังมีทุกข์ตามมาให้ด้วย เวลามีร่างกายเราก็มีความสุขจากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาข้าวของเงินทองไปหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราแต่ร่างกายนี้มันก็มีความทุกข์ให้กับเราด้วยทุกข้อที่หนึ่งก็คือต้องเลี้ยง ม, มันต้องหาข้าวหาน้ำ หาอะไรมาให้มันกินหาอยู่ขายามารักษามืนทุกข้อที่สองก็คือมันจะต้องแก่พอแก่ก็ลำบากทำอะไรก็เคอะเคะา า, า, าทำอะไรก็ไม่ได้นำใจแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีใครสุกบ้างมีใครหัวลอกกันบ้างมีแต่หน้าเบึ่งตึงหน้าหงิบหน้างอ มีแต่ความทุกข์กันแล้วถ้ารู้ว่าจะต้องตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ <c oughs> นี่คือที่พึ่งของเราที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้ <c oughs> คือเรามาพึ่งร่างกายกันเราพึ่งร่างกายด้วยการทําตามความอยากต่างๆ <c oughs> เวลาเราทําความอยากมันก็จะทําให้เราต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความอยากก็จะพาให้เรามามีร่างกายอันใหม่ แล้วก็ต้องมาปากกัดตีนถีบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเนี่ยทุกวันที่ไปทำงานนี้ไปทำเพื่ออะไรก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อบ้านซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องรุ่งหงต่างๆถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทาพวกนี้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ของร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความเจ็บไายได้ป่วย ไม่ต้องมาทุกกับความตายของร่างกายแต่พวกเราไม่รู้วิธีหาที่พึ่งที่ดีที่ให้แต่ความสุขที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เราก็จะสร้างที่พึ่งชั่วคราวคือสร้างร่างกายนี้ไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่ กับมาเกิดใหม่แล้วก็มาดิ้นโนปากกาตีนทิ่มหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงร่างกายแล้วก็ต้องคอยหลบภัยอันตรายต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับร่างกายของคนอื่นเพราะต้องแข่งขันหาเงินหาทองกันหาข้าวหาของกันหาอะไรต่างๆกัน แล้วดีไม่ดีก็ไปทะเลาะกันไปตีกันไปฆ่ากันเนี่ยอันนี้คือที่พึ่งของเราที่พวกเราตอนนี้หากันเป็นที่พึ่งที่จะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุ ข, ขกับเราความสุขเราได้จากร่างกายก็ประเดียวประดาวเวลาได้กินข้าวอิ่มก็มีความสุขหน่อยเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกแล้วถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์อีก ก็ต้องกินกินแล้วก็อิ่มแล้วก็ความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความสุขพอเสดไปปั๊มมันก็หมดไปแล้วพอไม่มีอะไรให้เสดก็รื่งเหงาวว่าเวเศร้าซ้อ ย, ห, อย ห, หงอยเหว่งวดหงิดลาคาญใจก็ต้องไปเสดใหม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสดใหม่ถ้า ไม่มีเงินพาไปเศษก็ไปเศษไม่ได้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้หรือถ้ามีเงินแต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย พ, พี่กลนพิการเป็นอมาพเป็นอมภาาก็ไปไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนี่คือ ที่พึ่งของพวกเราที่เรากำลังพึ่งกันอยู่และทุ่มเทเวลาให้กับที่พึ่งนี้มากกว่ากับการทุ่มเทเวลาให้กับที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่ดีกว่าเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขมากกว่าเพราะความหลงเราไม่รู้ความจริงของที่พึ่งทางใจว่าวิเศษขนาดไหนเราก็เลย เอาเวลาทุ่มเทให้กับที่พึ่งทางร่างกายบางคนนี้ไม่มาวันเลยไม่สนใจที่พึ่งทางใจเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้ทุ่มเทให้กับการาหาที่พึ่งทางร่างกายกันแต่พอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรือว่าถ้าจะมา หาที่พึ่งทางใจตอนแก่ก็มาไม่ไหวแล้วมาก็กระโกกระเพกกระดกกระเดกเดินเก้าสองเก้าก็เหนื่อยแล้วแล้วจะเอามาเอากําลังที่ไหนมาสร้างที่พึ่งทางใจกันพระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันให้วันพระให้พวกเรามาสร้างที่พึ่งทางใจกันวันพระก็คือวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือวันพระให้พวกเรามาสร้างที่พึ่ง สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจของเราจะมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอย่างคนที่มาอยู่วัดกันในวันพระนี้มาถือสีนุน่งขาวห่มขาวเนี้วันนี้เขาไม่มาพึ่งร่างกายอาหารก็กินเพียงเล็กน้อยกินพออยู่ได้ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารสองสามมือ เอาแค่มื้อเดียวมื้อช้ามื้อเนี่ยที่สาลาเนี่ยพระวัดนี้ฉันแค่มื้อเดียวฉันเสร็จแล้วก็ไม่ฉันอีกจนกว่าจะถึงเวลาพรุ่งนี้ค่อยกลับมาฉันใหม่อยู่ได้อยู่อย่างสบายเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหากินจะได้มามีเวลามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันมาถือศีลแปดกันเนี่ย พวกที่มาถือสินแปดเขาก็ไม่หาความสุขทางร่างกายไม่กินไม่นอนกับแฟนไม่ไปดูหนังฟังเพลงร้องลัมทาเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมความของเหล่านี้มันเป็นความสุขเดียวๆความสุขที่เดี๋ยวมันก็หมดไปสู้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจ ที่จะอยู่กับใจเราไปตลอดดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้หยุดทำงานหนึ่งวันเพื่อให้มาเริ่มสร้างความสุขทางใจมาสร้างที่พึ่งทางใจกันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเพียงวันเดียวอย่าเป็นเถนตรง <c oughs> เข้าใจเถนตรงก็คือ <c oughs> ถ้าไม่วันพระ <c oughs> ก็ไม่เข้าวัดจะรอวันพระอย่างเดียวตามจริงพระพุทธเจ้าให้รอ มาวันพระเพื่อเราจะได้มาลองสร้างที่พึ่งทางใจกันพอสร้างแล้วได้สัมผัสกับผลที่เกิดว่ามันดีอย่างไรก็จะได้เพิ่มวันเข้าวัดเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวันก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันเพิ่มมันไปเรื่อยๆถ้ามันทําได้มากขึ้นความสุขก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยลงมันก็จะทําให้อยากจะทํามากขึ้นไปเอง แล้วเดี๋ยวก็มาอยู่วัดทุกวันนะฮะพวกที่มาบวชเนี่ยมาอยู่วัดทุกวันเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายเพราะไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายนี่คือวันพระของพวกเราวันที่พวกเรามาทดลองมาชิมถ้าเป็นอาหารก็เหมือนเชลชวนชิม เราก็ไปถามชาวชนชิมก็ดูว่าอาหารร้านไหนอร่อยอพอก็ไปชิมมาแล้วก็ก็บอกร้านนี้อร่อยอเราก็ไปลองชิมกันดูตอนต้นก็ไม่กล้าสั่งมากสั่งแค่จานสองจานพอชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวก็สั่งมาเต็มโตเองร้านนี้อาหารอร่อยกินแล้วมีความสุข อ, อันนี้ก็เหมือนกันวันต้นมาอยู่วัดในวันพร ะ, ะก็ทดลองไปทำไปก่อน พอได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาเกิดอิทธิบาสีขึ้นมาพอมีอิทธิบาสีนี้จะมีกําลังจะมีกําลังที่จะมาวัดเพิ่มมากขึ้นจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มาอยู่วัดได้อย่างถาวรเลยมาปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้สําเร็จสมบูรณ์นี้เราต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับมันถ้าเราทําแบบครึ่งๆกลางๆ ก, ก็เหมือนสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านวันหนึ่งแล้วก็กลับไปทําอย่างอื่นอีกเจวันอีกหกวันค่อยกลับมาสร้างใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะ คนที่เขาสร้างบ้านนี้เขาสร้างมันทุกวันเขาไม่ไปทำอะไรถ้าเขาไม่สร้างเขาก็จ้างคนอื่นมาสร้างพอสร้างพอในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เสร็จเองที่พึ่งทางใจก็เหมือนกันถ้าเรามาสร้างเพียงอาทิตย์ละครั้งนี่มันไม่พอสร้างแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาสร้างใหม่ไอ้ที่สร้างไว้เดี๋ยวบางทีมันก็พังไปของมันเก่าก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ ดังนั้นขอให้เราถ้าจะสร้างที่พึ่งทางใจนี้เราต้องสร้างมันทุกวันแต่ตอนต้นนี้เรายังไม่มีกําลังใจไม่มีพลังเพราะเรายังไม่เห็นผลที่เกิดจากการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามันวิเศษอย่างไรมันประเสริฐอย่างไรแต่พอเราได้ลองทําไปแล้วได้ลองสร้างแล้วพอได้สัมผัสกับผลนี้มันจะ อยากจะทำมากขึ้นไปเองตอนนี้ไม่ต้องบังคับมันละมันอยากจะทำเองตอนต้นนี้ต้องคอยบังคับมันวันนี้วันพระนะต้องไปวัดน ะ, ะถ้าไม่บังคับมันมันก็จะไม่ไปแต่พอมันมาวัดมันมาได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการมาวัดว่ามันดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็จะเบื่อกับสิ่งต่างๆแล้วมันก็อยากจะมาวัด เราสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอยิ่งสร้างก็ยิ่งมีความสุขมีความสบายมากขึ้นความทุกข์น้อยลงก็อยากจะสร้างมันมากขึ้นไปต่อไปก็ไม่อยากจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำอะไรแล้วลาออกจากงานอย่างพระพุทธเจ้าก็สะละราชสมบัตนะิทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสมบัติต่าง เพราะของเหล่านี้ท่านเห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขที่หุ้มความทุกข์เอาไว้เพราะอะไรเพราะไม่ช้าก็เหลวก็ต้องมีการพัดพรากจากกันเดี๋ยวก็ต้องจากภรรยาจากลูกจากบิดามารดาจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากร่างกายไปจากด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะทุกข์ ก็เลยไปหาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะว่าพอมีที่พึ่งทางใจแล้วจะไม่ทุกเวลาที่จะต้องจากบิดามารดาเวลาที่จะต้องจากสามีภรรยาเวลาที่จะต้องจากบุตรธิดาญาสนิทมิศหายเวลาที่จะต้องจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาที่จะต้องจากร่างกายนี้ไปถ้ามีที่พึ่งทางใจแล้วจะไม่ทุก ใจจะมีความสุขตลอดเวลาบาลมมสุปาลมังสุขขังตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับราบยศสลรเสริญเกิดขึ้นกับรูปเสียงกลิ่นนสดเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลื่นกายจะไม่สามารถมาทำให้ใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง น, นี้เดือดร้อนได้เลยใจนี้จะเย็นจะสงบจะสบายไปตลอด อย่างไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ต้องกลับมาสร้างที่พึ่งปลอมอีกต่อไปไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวร น, นี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานานๆานจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเราเป็นที่พึ่งกันสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถมาค้นพบวิธีสร้างที่พึ่งทางใจได้สักครั้งหนึ่งเป็นเวลาเวลาช่วงที่ระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยเวลามังหารเป็นหลายล้านล้านปีเลก็เรียกว่าเป็นกับเป็นกันเป็นเวลาที่ยาวนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่และองค์มาปรากฏ แล้วมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจกันและโอกาสที่พวกเราจะมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะเรายังต้องไปใช้บุญใช้กรรมในภพต่างๆอยู่พอมาเป็นมนุษย์าศาสนาพุทธก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้หมดไปแล้วก็ได้ ถ้าไม่มีศาสนาพุทธก็ไม่มีวันที่จะสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรได้ก็ต้องมาสร้างที่พึ่งชั่วคราวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นโชคอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรานเนอาเมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าสู่ใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติผลก็จะเกิดตามมาเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจที่พึ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดที่พึ่งที่ไม่มีความทุกข์ที่พึ่งมีที่มีแต่ความสุขเพียงเดียววิธีที่จะสร้างที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆสามข้อใหญ่ๆจงละการกระทำบาปทั้งปวง อย่าทำบาปอย่างวันนี้เรามาละ บ, บาปกันมาถือศีลห้ากันมาละอบบยามุกกันอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรคนที่ชอบดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพนันนี้เรียกว่าคนไม่ดีอย่าไปคบแล้วอย่ามีความเกลียดคร้านเพราะความเกลียดคร้านนี้จะทําให้เราไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้ ต้องมีความขยันฉั้นต้องละอบายามุขละการกระทําบาบทั้งปวงแล้วก็สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรอกุศลอย่แรกก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่พอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องสร้างกุศลอะไรบ้างก็สร้างธรำทานเนี่ยรักษาศีลภาวนานี่นี่คือวิธีสร้างกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นมา พอเราได้ทําแล้วเดี๋ยวผลก็จะปรากฏขึ้นมาที่พิ่งเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าขั้นสโสดาบันขั้นที่สองก็สกิทาคารีขั้นที่สามก็อนาคามีขั้นที่สี่ก็อรหันต์แล้วก็พระนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายไม่สำคัญเป็นนักบวชเป็นคารวะไม่สำคัญเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศไม่สำคัญสามารถที่จะบรรลุผลได้ทุกคนถ้ามีเหตุถ้ามีการละการกระทาบาปทั้งปวง ถ้ามีการทากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้ามีการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งงานประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความแน่วแนมั่นใจอย่าง แรงกล้าต่อศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยามฟังคำสอนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากมายที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เพียงการจากการฟังเทศเพียงครั้งเดียวเราต้องฟังบ่อยๆหาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านหาหนังสือวิ่จากพระไตรปิฎกหาพระสูตรที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงมาอ่านแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจ ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วจะได้นำพาเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำให้เกิดผลต่างๆตามมาตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษา ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ